ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะเสนอเรื่องมานันญญยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยพระซึ่งอยู่ป่าเป็นพระสูตรที่สิบในสกาทวัสังยุตติกาย เทวดาได้เข้ามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยความสงสัยวันนะของพิกษุท์ทั้งหลายผู้อยู่ในป่าฉันพัดอยู่หนนเดียวเป็นสัตว์บุรุษผู้ประพฤติ ธ, ธรรมมันประเสริฐยงผ่องใสด้วยเหตุอะไรหรือการรับรู้สถานะของภิกษุที่เทวดาท่านแสดงเนี่ยประการแรกคือวันนะผิวพรรณของท่าน ทัประมาณจากอาหารที่รับประทานเข้าไปก็รู้สึกว่าไม่มากก็ไม่น่าจะมีความเปล่งปรั่งมีน้ำมีนวลซึ่งก็เป็นความรู้สึกนึกคิดโดยทั่วๆไปรเราเห็นว่าตามปกติแล้วผิวพันธ์ของบุคคลมักจะเน้นไปที่การปรนปรือหรือตกแต่งร่างกายด้วยวิธีการต่าง แล้วมีอุปกรณ์ในการทนุบบรุงผิวอีกเป็นนั้นมากแต่ว่าของภิกษุที่อยู่ป่าเนี่ยมันเป็นความผ่องใสโดยปกติของท่านเพราะนั้นประเด็นที่ท่านคงใจก็คือทำไมจึงผ่องใสแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่ท่านแสดงว่า เป็นสัตว์บุรุษแล้วก็ฉันพระทุนเดียวนะคือตามปกติแล้วภิกษุเราจะฉันอาหารจะพอช่วงเช้าอาจจะสองมื้อหรืออาจจะมื้อเดียวก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาที่เหลือก็จะไม่ฉันพวกอาหาร แต่ถ้ามีความหิวเบียดเบียดมากก็จะฉันพวกน้ำดื่มพวกอะไรก็ตามที่พอบรรเทาความความหิวลงไปได้เพราะฉะการฉันอาหารล้นเดียวเนี่ยมันที่จริงก็ไม่ใช่ประเด็นว่าจะทำให้ผิวพันธ์ผ่ อ, องใสหรือไม่ผ่องใสแต่ประเด็นที่ แต่ท่านยกย่องคือสัตว์บุรุษคําว่าสัตว์บุรุษนี่ตามปกติแล้วเรามักอ่านว่าสัตตบุรุษทานว่าสัตตบุรุษแปลว่าคนเจดคนทานว่าสัตวบุรุษก็แปลว่าผู้สงบบาลีจริงๆเนี่ยใช้คําว่าสัปปุริสัต แต่ว่าเวลาเรามาเขียนเนี่ยเราก็เขียนแบบสันสกฤตคือเป็นสัตว์บุรุษแต่ความหมายก็เหมือนกันแต่นี่ความเป็นสัตว์บุรุษตามปกติแล้วเราจะคุ้นๆเรื่องธรรมะสี่ข้อที่เรียกว่าเอจ็ข้อที่เรียกว่าสัพ ป, ปริสธรรมแต่ถ้าเรามองดูให้ดีแล้ว ธรรมะเจ็ดข้อชุดนั้นเป็นปัญญาภาคบริหารเพราะสัตว์บุรุษก็คือผู้ที่มีปัญญาเพระทุกข้อเป็นเรื่องปัญญาล้วนๆก็มียุตา่ายุตา่ายุตาอยู่ข้างหลังแต่นั้นหมายความว่าความเป็นผู้รู้เฉดรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล ซึ่งจะต้องมีพร้อมกันในขณะเดียวกันแม้แต่การพูดในประโยคเดียวเราก็ต้องมองทั้งเจ็ดจุดด้วยกันก็ให้เกิดความเหมาะความควรแก่กรณีนั้นๆต้องการเป็นสัตว์บุรุษที่จริงแล้วก็มันก็เริ่มมาจากมีสีนั่นแหละ แต่ว่าทรงแสดงไว้ว่ามีศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งลงในคุณของพระพุทธเจ้าแต่ก็หมายรวมถึงความเชื่อในเรื่องเหตุผลและความดีทั้งหลายเพราะนั้นเวลาการพูดถึงศรัทธาเลโดยทั่วๆไปเนี่ย กระจะพูดถึงความเชื่อในกฎของกรรมในผลของกรรมและในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนแต่ยังสับสนไม่แน่ใจยังเครือบแคลงสงสัยอยู่ก็ให้เชื่อในการศัตรูของพระพุทธเจ้า เพราะความรอบรู้ในเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับยานมันไม่ใช่รู้ด้วยตาเนื้อแต่ว่ารู้ด้วยตาปัญญาหรือว่ารู้รู้ด้วยตาทิพย์นะฮะตาพระพุทธเจ้าแต่ว่าสามัญชนทั่วไปมันก็สามารถสอบทานเทียบเคียงพินิษพิจารณาได้ในบางจุดแต่บางจุดเราก็เข้าถึงได้ยาก เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเมิดละไมแต่ว่าการเชื่อในกฎของกรรมเนี่ยเสรเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วเนี่ยยังไงมันก็เป็นหลักและเกณฑ์ในการตัดสินดีชั่วเพื่อการสังเกตเรนี่เราถกเถียงเรื่องอามาตรวัดความดีความชั่วกันมาก แล้วก็พูดไปพูดมาค่อนข้างจะสับสนคือถ้าเราเกณฑ์ที่รู้จ้าส่งจำแนกประเภทของคนไว้ในโลกเป็นเก้าระดับเนี่ยโดยกำหนดที่มาตรวัดก็คือพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นเอ่อเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดก็ตามคือจะไม่เกี่ยวอะไรเลย แล้วก็นับถือศาสนาอะไรก็ไม่เกี่ยวด้วยหมายความว่าใครก็ตามชี้เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลหรือเดือดร้อนและเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลหรือในเดือดร้อนคือเป็นมองที่ตัวเหตุบางทีเรามองไม่ออกเราก็มองที่ผลก็แล้วกัน ผลกระทบเนี่ยต่อไปจะเป็นไงต่อไปจะเป็นไงต่อไปจะเป็นไงและถ้าจะนําความเดือดร้อนมาให้แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีแล้วเพราะ น, นั้นมันเริ่มดีจริงๆเนี่ยเริ่มดีจากการงดเว้นการบิดเบียนตนเองงดเว้นจากการบิดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นจากการบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งหมายความาการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมองถึงผลกระทบที่จะติดตามมาและเรานี่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่อ่านสายโลกเราไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศคนเดียวหรือเจ้าของโลกคนเดียวเพราะในการรับผิดชอบต่อคนอื่นเนี่ยมีความจะเป็น ถาเราจิตขาดจิตสานึกรับผิดชอบในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นแล้วไม่จะถือว่าเป็นคนดีนก็ไปได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นออกไปถ้าพูดอย่างนั้นออกไปเนี่ยจะเป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนและเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนทีนี้การเบียดเบียนเนี่ย ประเด็นที่น่าสังเกตคือคือลองฟังนักวิชาการเขาพูดกันหลายครั้งนะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดตัวเองแล้วให้ความสำคัญแก่อาตาของตัวเองเมื่อมาซึ่งใดก็ตามที่ตนทําแม้จะนําความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นเนี่ยคือเขาก็ไปคิดว่าเป็นความถูกต้องไป แล้วก็ไปอ้างถึงสิทธิหรืออ้างบทบัญยัติของรัฐมนูญพอก็อ้างบทบัญยัติของกฎหมายอาญาเขาก็อ้างว่ากฎหมายอาญาเล็กกว่ารัฐมนูญแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวเนี่ยคนอื่นไปล่วงเกินต่อเขาเขาก็ไปอ้างกฎหมาย อายาก็มีนะกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีตกลงว่าเอาตัวเองเป็นมาตรวัดพุทธานานั้นเป็นหลักกรรมวาชีคือใช้กรรมเนี่ยเป็นเกณฑ์ตัวกรรมเนี่ยมันเป็นกฎนะเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นกฎก็สอนบอกให้รู้ และแต่ละคนก็เคยสัมผัสมาด้วยตัวเองแต่การทำดีก็มีทำชั่วก็มีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความคิดของเราเนี่ยเรียกได้จิตนิยามเนี่ยคือหมายความว่าเราสามารถงดเว้นได้เราสามารถประพฤติได้แต่ถ้าเราไปประพฤติในเรื่องที่ควรงดเว้น แต่ต้องการผลดีจากเรื่องที่ควรประพฤติก็มังจะเกิดผลอย่างนั้นไม่ได้เพราะกฎมันบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วพอเราทำชั่วแต่เราต้องการผลเป็นความดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไปนฝืนกฎเพราะเราเห็นว่าความเชื่อในกฎของกรรมเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญ เราเชื่อมั่นตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเรื่องกรรมนี่คิดแบบใจเขามาใส่ใจเรามันก็ช่วยแก้อะไรได้เยอะแล้วก็ให้ที่ดีขึ้นไปกว่านั้นเนี่ย คือทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นและประจายประโยชน์เหล่านั้นออกไปมากเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งดีทั้งหมดเราเห็นว่ามันไปยึดโยงอยู่กับกฎของกรรมกับกฎของความพยายามในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิดก็แล้วแต่ตนน้นละการที่เรียกว่ากรรมวาตีกับ ว, วิริยะวาตีเนี่ย คือกล่าวกรรมคือการกระทากับความพยายามกระทาโดยอาศัยแ อ, ยแอจิตตนยามกับกรรมนิยามโดยใสัยความเชื่อในกฎของกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะกากับควบคุมความคิดเราได้ให้เว้นในเรื่องที่ควรเว้นประพฤติในเรื่องที่ควรประพฤติ สาการต่อไปก็คือฮิริโอตปะเป็นความละอายต่อ บ, บาปเป็นความสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปวันก่อนดูข่าวข่าวมีการประชุมทางกิจกรรมนาศาสนาที่จริงก็ได้รับอาราธนาไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ไป เกิประเด็นที่ตั้งกันแปลกนะว่าผู้นําต้องมีฮิริโอตปะทําไมต้องผู้นํำละ่ะทุกคนต้องมีฮิริโอตปะมันไม่ใช่เรื่องผู้นําผู้นํามีคนเดียวมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกทุกคนจึงต้องมีฮิริโอตปะมีความร้ายต่อบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อบาะแล้วก็ มีการศึกษาสับตับฝรั่งมากมีประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสมากมีความทรงจำเรื่องราวต่างๆมาได้มากมีความแม่นยำในหลักการในวิธีการในกฎเกณฑ์ในเนื้อหาสาระของวิชาด้านั้นได้ในขณะเดียวกันก็มีความพยายาม ในการป้องกันความชั่วในการขจัดความชั่วในการพัฒนาความดีและในการรักษาความดีเรื่นี้ประเด็นที่น่าสังเกตว่าความเพียรเนี่ยคือสติสัมยาความเพียรอย่างที่เคยบอกว่าคือเขาอยู่ด้วยกัน่ะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันรวมทั้งศรัทธานะฮะและก็สมาธิแต่ว่า สถานนั้นมันเป็นพื้นฐานสมาธิมันเป็นผลแต่ตัวหลักกับเครื่อนนำจิตเข้าสู่สมาธิแล้วก็พัฒนาพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยสติสัมมชั ญ, ญาความเพียรขึ้นไปด้วยเนี่ยแล้วก็คือสามข้อเนี่ยก็ทำให้คิดถึงถึงว่าการใช้ความเพียรเนี่ยมันทำนองคล้ายๆกับว่านักมวยจะก็ต่อยมวยเนี่ย คือหมายความว่าป้องกันตัวเองได้ด้วยแล้วก็จัดจุดอ่อนของตัวเองได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ต่อยขวายตรงกันข้ามด้วยแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ด้วยคือมันทําในคราวเดียวกันเนี่ยมันสี่เรื่องคือตอนนี้กำลังให้นักศึกษาเขาทดสอบอจะตั้งองค์กรนะฮก็ไม่ใช่จดตั้งองค์กรคือบริหารองค์กร อุกรก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยแะิธรทำยังไงจะบริหารยังไงก็ให้เขาเสียบตัวค้นคว้ามาจากพระราชบัญญัติแล้วก็รวบรวมเอกสาร เ, าเรียบเรียงไว้หนึ่งเล่มแต่ว่าก็ไม่ชื่อเป็นวิชาการหรอกชื่อเป็นเสริมสร้างสู่สุขสันต์แล้วก็ให้เขาคิดให้เขาคิดว่าเนี่ยเหมือนกันนักมวย คือเราไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวแต่เราลุกได้แล้วป้องกันตัวเองได้แล้วก็ต่อยฝ่ายตรงนนข้ามได้เคย พ, <lude. S 1> พบพิธีวิธีเขาเรียกว่าดวนปืนนีะฮะางนี้ก็เออนี่มันก็หลักการสำคัญอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันเหมือน ก, กับการดวนปืนของนักเลงดวนปืนทั้งหลายเนี่ยคือก็บอกนักเลงดวนปืนเนี่ยคือหนึ่ง จะต้องมีชัยภูมิเหนือกว่าขวายตรงกันข้ามแล้วก็สองต้องไม่ยืนทวนแสงฮะแล้วก็สามสามารถยิงให้ศัตรูหลงทางได้แล้วก็สี่ก็ยิงกระห น, น่ำได้ก็ท้าไม่คิดว่าหลักเหล่านี้ที่จริงเราเอาไปปรับใช้ในเรื่องอื่นก็ได้เรื่องอะไรก็ได้นะคือคือ โครงสร้างเหล่านี้มันจะอยู่ในโครงสร้างเดียวกับสัมมาวายามะคือสัมมาวายามะนี่มันต้องใช้ทุกเรื่องเพราะว่าทุกทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการป้องกันบำบัดและบำรุงรักษาชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันต้องมีการบำบัดบำรุงรักษาแต่ในการบำรุงนี่แหละมันก็มีการป้องกันมีการบำบัดแล้วก็มีการรักษาไปด้วย ผลสุดเหล่านี้ก็เหมือนกับการรับประทานอาหารการกินยาการบริหารร่างกายหรือการเล่นกีฬาอะไรตาา่างๆถ้าเราลองสังเกตว่ามันมีครบอยู่ทั้งสี่อย่างคือป้องกันบำบัดบำรุงแล้วก็รักษาประการต่อไปคือสติสติน้ขาดไม่ได้นะฮะ สติสบัตตปฏิยาสติจะต้องใช้ในทุกกรณีแล้วก็ปัญญาความรอบรู้อันนี้คือคุณธรรมที่เป็นฐานของความเป็นสัตว์ ร, รู้ตามปกติเราไม่เคยนํามาพู้กันที่จริงเจดข้อนี้ในที่ทั่วไปเนี่ยท่านจะเรียกว่าสัตยธรรมบ้างท่านจะเรียกว่ า, เ, าเรียกว่าสัตยธรรมนะฮะเรียกว่า สัพพุริสธรรมแต่ตามปกติแล้วก็จะเรียกว่าสัตว์ธรรมทีนี้ต่อไปก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเรามีคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆคือจะปรึกษาอะไรกับใครๆจะพูดอะไรกับใครๆจะทำอะไรกับใครๆจะคิดอะไรกับกับใครก็ตามก็เรื่องนะฮะจะปรึกษาจะพูดจะทาจะคิด ก็จะไม่ปรึกษาไม่ทำไม่พูดไม่คิดในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนต่อตนเองและเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นกลุ่มแ้วก็4นะฮะก็ไปนับก็เป็น5แล้วข้อต่อไปก็คือให้ทานโดยเคารพเขาเรียกว่าสัพปริสทานคือให้ทานแบบสัตว์ประุษ แล้วก็มีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมรวมแล้วก็เป็นสัพปริสธรรมเจ็ดประการเหมือนกันนี่ก็ความเป็นสัตบุรุษซึ่งก็หมายความว่าออพระไม่ใช่ว่าบูดปับ๊บแล้วก็เป็นสัตบุรุษปุ๊บนะฮะแต่เป็นเรื่องจะต้องใช้ความพยายามเพื่อ เป็นสัตว์บุรุษตามกําลังความสามารถของตัวเองที่จะกระทําได้แล้วท่านก็บอกว่าผู้ประพฤติธรรมอันประเสริญย่อมผ่องใสด้วยเหตุอะไรก็สรุปว่าท่านถามว่าวันณะของพุกธสูตทั้งหลายผู้อยู่ในป่าสารพัดอยู่หนเดียวเป็นสัตว์บุรุษผู้ประพฤติธรรมอันประเสริญย่อมผ่องใสด้วยเหตุอะไร พระเจทรงแสดงว่าพิสูจน์ทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงปัจจัยที่ล่วงไปแล้วหมายความว่าเรื่องที่ล่วงไปแล้วก็คือล่วงล่วงไปแล้วไม่เอามากรัดกลุ้มไม่เอามาวิตกกังวลไม่เอามาเครียดไม่เอามาเก็บกดไม่เอามาแก้แค้นอะไรต่างๆคือตามปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันสูญเสียไปกับอดีตกับอนาคตที่เยอะมาก วางแผนไปสู่อนาคตวิตกตังวลโหยหาอะไรอยากให้หวนกลับคืนมาของอดีตที่ตัวเองชอบอดีตแปลว่าเป็นไปแล้วแปลว่าล่วงไปแล้วพูด ง, ง่ายว่าตายแล้วอนาคตแปลว่ายังไม่มาเพราะมาเมื่อไรมันไม่ได้เป็นอนาคตมันเป็นปัจจุบัน นั้นชีวิตจริงๆของคนเราเนี่ยจริงๆมันอยู่ด้วยขณะขณะลมหายใจเข้าออกปัจจุบันนี่แหละในปัจจุบันนี้แหละหายหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเราก็ตายแล้วผลชีวิตเป็นสายใยสั้นๆพร้อมที่จะขาดลงไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เพรผล หลักการสาคัญของศาสนาเนี่ยเราสังเกตว่าทุกข้อเนี่ยศีลสํารวมน่สํารวมเรื่องศีลหมายความว่าการทําการพูดตลอเราต้างองการคิดเนี่ยมันต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดศีลจะพูดก็ต้องนึกถึงศีลจะทําก็ต้องถึงศีลนะฮะเพราะเมื่อจิตใจจดจ่ออยู่กับบทบัญญัติของศีล โอกาสที่จะไปดึงเอาเรื่องอดีตมากระลุ่มเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอยู่ระดับของการพิจารณาธรรมะจะยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาเป็นธรรมะวิตกโกคือตรึกนึกเหนียวนึกถึงเรื่องของธรรมะนํามาคิดนำมาพินิจพิจารณานานมาไตรตรองนํามามองหาเหตุผลต่างๆ เพื่อจะหาความรู้ความเข้าใจจากเรื่องเหล่านั้นออข้อนี้ท่านสายชนทั้งหลายจะเห็นนะว่าที่จริงถ้าเราพยายามคิดเนี่ยพยายามคิดโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ในกฎของตลักษกฎตรลักษณเนี่ยมันเป็นก ฎ, เ ป, นกฎเป็นกฎสากลที่กดครอบจั ก, กรวาลหมายความว่า น, นิพพานเองก็อยู่ในกฎ แตรลักอย่างหนึ่งก็คืออนัตตาก็นิพานเป็นวงกลมวงกลมใหญ่ในวงกลมเล็กนะฮะหมายความว่าก็อยู่ในกฎนี้อย่างหนึ่งก็คือข้อว่าอนัตตาแต่นิพานเป็นเชี่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นอนาตาัตตาทีนี้ถ้าเราเริ่มดองดูว่าเราเองมันมาจากไม่เป็นตัวเป็นตนอะไร องค์ประกอบของชีวิตมันก็ประกอบด้วยกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณนั้นเป็นนามธรรมอ่ะแล้วก็ได้รูปจากโลกนะเคยเชื่อของพ่อของแม่ที่พระเจ้าทรงเรียกคำว่ากันทับโหลแล้วก็รูปร่างกายเหล่านี้ที่จริงมันก็คือส่วนย่อยของธรรมชาติดินน้าลมไฟอากาศ เดวเจ้าทรงแสดงว่าชะทาตุโยบริโสดุกรภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลนี้มีธาตุกคือดินน้ำลงไฟอากาศและก็วิญญาณในความเป็นดินน้ำลงไฟอากาศเนี่ยมันเข้ากันได้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และมันติดต่อกันไปทุกส่วนของโลกเพราะในส่วนเลือดเนื้อร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คือกัน เจาะเลือดมาดูก็ไม่มีพุดคริสอิสลามพราหมณ์ซิกเนดูไม่มีชนชาติอะไรก็เลือดก็สีแดงด้วยกันเดี๋ยวก็ตายก็หมิ่นด้วยกันเกิดมาจากคันพ่อแม่ด้วยกันแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็ทิ้งทุกอย่างไว้ในโลกเนี้มันมีปรัชญาของพราหมณ์ชีวิรู้สึกเยอะนิยายะนะฮะ ก็คมนะเขาคิดได้คมอ่ะเขาบอกว่ามันเริ่มจากอภาวะคือไม่มีแล้วก็ไปสู่ภาวะคือความมีจากความมีเนี่ยไปสู่อภาวะคือความไม่มีงัมนเราเนี่ยมันเริ่มจากความไม่มีเราแล้วก็ผ่านกระบวนการธรรมชาติบ้างกระบวนการของมนุษย์บ้าง ถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดมีเราขึ้นมาเราก็ตั้งชื่อเอานะสมมุติเอาแล้วตั้งชื่อกันซนอนโซนแล้วคนตายก็ก็ไม่มีไม่มีเราอะเราเป็นเราได้เรามีเราเป็นมันไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรมีไม่มีอะไรเป็นก็ทุกอย่างก็ทิ้งไว้ในโลกย้อนนานมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟังนะ คือมาตามปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยถูกต้องศพเลยนะพอดีก็ไปทำศพอาจารย์ตอนสูงน้าก็ไม่ได้ถูกต้องอะไรหรอกแต่ว่าตอนเผาตอนดับธาตุอหนึ่งเป็นชั้นอิรัญญบัตอหนึ่งเป็นชั้นธรรมตายใกล้ๆกกันเราก็ไปเก็บธาตเองคือเป็นหนึ่งในหลายๆคนก็คือไปเก็บธาต รวมกองกันแล้วนี่กอบเดียวเกือบหมดนะะอย่างนี้ก็เถอะไอาจ๋าเนี่ยชีวิตเราก็ท่านี้นะเร้จะเอาอะไรกันหนักหนาหลมะม่อก็กลายเป็นความไม่มีตอนแนวแนวคิดของพราหมณ์ที่จริงไม่ไม่ธรรมดาร่ะที่มา เ ร, เรียงเรื่องจากใจสู่ใจได้ไม่ตรีก็กำลังรอทำเล่มสองนะฮะก็ที่จรงก็ทำเสร็จแล้วต้นฉบับเสร็จแล้วแต่มีปัญหาเรื่องค่าพิมพ์นิดหน่อยคือในนี้จะเอาปรัชญาอินเดียทั้งหมดมันลงไว้เลยหมายความว่าถ้าเราอ่านศึกษากรอบขอบข่ายของปรัชญาออพอจับทางได้นะฮะก็สามารถจะอ่านในเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็ คงไม่นานนะคงจะหาโอกาสพิมพ์เผยแพร่ออกมาเพื่อมองเห็นว่าถ้าเรามองจากมิติตรงนี้แล้วเข้าถึงจริงๆเนี่ยแต่การเรียนเดียนวัตถุสรายกันเนี่ยไม่รู้ทำไปทำอะไรทำไปทำไม่ทำไปทาอะไรแล้วมันใครได้อะไรไม่มีใครให้ได้ไม่มีใครให้มีไม่มีใครให้เป็นเลยทาไป แต่เพราะถูกกิเลสเนี่ยรุ่มรุ่มใจปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้หลือวิชาเนี่ยความมืดบอดนี่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ผลใจคนก็วิ่งวิ่งไปไฝ่ ค, ควาอาดีที่ชอบชอบนะแล้วก็ปรารถนาอนาะคตที่ชอบชอบ แต่โดยไม่พยายามมองในแง่ความจริงเนี่ยว่าอดีตมันไม่ได้มีดีทุกอย่างแล้วอนาคตก็เหมือนกันมันไม่มีดีทุกอย่างเราคิดไปมันก็เท่า น, นั้นเราทำอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่มาอดีตมันก็ใช้เป็นบทเรียนเป็นครูได้ แล้วก็ใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานต่างๆได้หลายเรื่องนะฮะแต่ว่าเอามากัดกลุ่มมิตรกังบนเอามายึดติดอยู่เนี่ยวันก่อนมีคนเขามาที่กุติก็ที่จริงกเขาพูดถึงถึงญาตินะฮะเขาเคยเป็นผู้ว่าเป็นเป็นน้องเป็นมิสักเป็นน้องอนะามาก็บอกว่าแก แกเสียณมาตั้งนานแล้วแกยังเป็นอยู่แกหมายความว่าแกยังมีมาดของผู้ว่าอยู่มันก็หนักแล้วไปไหนมาไหนมันก็หนักแล้วก็จะเข้ากับเพื่อนได้ยากเพราะว่าจริงๆชีวิตมันก็เหมือนละคร่ะเราก็กําหนดให้แสดงบทอะไรก็แสดงไปก็จบก็จบมันไม่จะต้องไป ไปเครียด อ, อยู่กับอดีต ท, ที่จริงเราไม่ได้เป็นในขณะนั้นเราไม่ได้เป็นเรายึอดตัวเราเป็นนะที่เราอดอดเป็นเราก็มีโทษสะเราก็มีโลภะคือถ้าคนไม่ให้เกียรติยกย่องอย่างที่เราเคยเป็นเราก็ไม่ชอบแต่ถ้าเขาขอให้เกียรติยกย่องอย่างที่เราเคยเป็นเราก็ชอบในลักษณะอย่างนี้ที่จริงมันเป็นละครหลงโรง เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้เป็นะปนะเราไม่เป็นจริงๆก็ยังนึกถึงสังคมเราเป็นอันมากเนี่ยที่เอาอดีตมาหลอกตัวเองอยู่ในปัจจุบันมันเป็นเคยเป็นคือไม่ใช่เป็นเพียงแต่ ว, ว่าเคยเป็นแล้วก็บอกไม่บอกก็ไม่ไแปลกอะไร เก้ามาเป็นคนไม่ชอบเรื่องการแนะนําตัวนะแนะนำประวัติล่าประวัติอะไรไม่ชอบคือเรามาพูดธรรมะเท่านั้นเองเราเป็นทู้อ่านราชสารเราไม่ได้มาโปรโมทเราแต่เรามาโปรโมทธรรมเท่านั้นเองเราไม่กี่วันเราก็ตายแล้วแต่ให้ธรรมะนี่อยู่ภายในใจผู้ฟังนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ มันไม่ใช่ว่าไปโปรโมตตัวเองแล้วก็ยกตําแหน่งอะไรต่างๆในอดีตขึ้นมาอึดอัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไปถังราชการเนี่ยซอกแซกถามนั่นถามนี้ถามโน้นจะเอาประวัติให้ได้ไปยื่นอ่านอยู่ทั้งหลายนังสือทํางไมทําอะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอยู่มาความว่าเป็นพิการอภิปรายปาตกระถาและตะไรกะว่ากันไปก็จบก็จบ ทีนี้พระที่ท่านผองใสได้เนี่ยเพราะท่านอยู่กับปัจจุบันที่พระพุทธเจา้าทรงสดแสดงว่าพัฏเดก ร, รัตโตแม้มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็เจริญแล้วก็ไม่ทรงอธิบายอ่ะปล่อยให้พระมหากัจจยณะอธิบาย คือต้องการจะเชิดชูพระมากัจจายนะเพราะว่าพระมากัจจายนะท่านอยู่ที่อุเชนีแขวงอวันตีชนบุรก็พระทั่วไปไม่รู้จักท่านพอนเมื่อท่านมาเฝ้าอีกพระสงฆ์ประชุมกันมากก็รับสั่งประโยคเดียวแล้วก็เสด็จข้าวเลยเสด็จขึ้นประคันตุกดิเฉยๆพิสุก็มากราบเรียนถามพระมากัจจยนะ พระมหาคัจจานะแสดงสิ่งที่เรียกว่าพัะเดกรัตกาถาคือที่ท่านแต่งเป็นว่าสิ่งที่ล่วงล่วงแล้วไปจะใฝยาหาที่ไม่มาก็จะพึงขนึงหวังที่วาวานผ่า น, านพน้นเมื่อบนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยเพราะจริงๆเนี่ยเราอยู่ในปัจจบันที่วเจ้าสงชช้ก็ว่าตัะตัดฐะวิปัสสติ เห็นชัดเจนในขณะนั้นนั่นแหละถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์มันมันก็ไปแล้วแล้วอราแก่ไปด้วยเราแก่ไปด้วยโด ย, ดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาพระก็ได้รับสั่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงปัจจัยที่ล่วงแล้วไม่ปรารถนาปัจจัยที่ยังมาไม่ถึงตัวนี้ก็สรงเน้นที่ ปัจจัยสี่นะฮะตลอดถึงพวกอารมณ์ทั้งหลายนะฮะปัจจัยสี่ก็จริงๆกับพวกอารมณ์ทั้งหลายนะรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภก็เลี้ยงตนด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหมายความว่าอายูก่กับปัจจุบันอารมณ์อยู่กับปัจจุบันภารกิจอยู่กับปัจจุบันอะไรก็อยู่ที่ปัจจุบัน จบก็ให้จบแต่ตัวนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แปลกคือบางที่รู้สึกเสียดายคนอะรู้สึกเสียดายคนรู้สึกสงสารคนรู้สึกสลดใจในความเป็นคนของคนเหล่านั้นว่าทำไมเป็นเป็นกันขนาดนี้จึงไปรับใชก้กิเลส ต, ตัณหาอยู่เยอะเหลือเกิน ริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวนกันคือยังนึกถึงว่าถ้าคนได้ตรหนักถึงกฎของกรรมะนะคือการไปเบียดเบียนประทุษร้ายต่อคนที่เขาไม่ประทุษร้ายตอบเนี่ยมันอุบาบมากนะคระเจ้าทรงแสดงว่าจะประสบความพิบัต สิบเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น่าเกิดป่วยหนักเกิดทุกขเวทนาเกิดการพลัดพรากสูญเสียเกิดภัยอันตรายจากบ้านเมืองอุบัติสารพัดตลอดถึงบาเจ็บล้มตายไปได้แต่ว่าสังคมไทยเนี่เป็นก็ไม่ใช่ทั้งสังคมหรอกว่าที่จริงคือคนจำนวนไม่ค่อยมากแต่ว่าสร้างปัญหาได้เยอะ คือไปเอาเรื่องอดีตแล้วก็ไม่ยอมพิสูจน์ด้วยเรื่องนี้มันควรจะพิสูจน์ได้กันถังสารน่ะมันก็ควรจะให้สารเขาตัดสินอยู่ในกฎเกณฑ์ของบ้านของเมืองเี็กร้องคนอื่นอยู่อื่นอยู่ในกฎเกณฑ์แต่ตัวเองไม่เขารกกฎเกณฑ์อะไรเลยต้องลงให้ความเป็นผู้ดีที่ สังคมไทยเขายึดถือแค่นี้มันอยู่ตรงไหนทุกวันเนี่ยใครเกิตั้งข้อสังเกตแต่ว่าเอ๊ะความดีเป็นผู้ดีมันหายไปไหนล่ะทําไมจึงแสดงความอาฆาตมากรายทําไมจึงแสดงความรุนแรงทั้งๆที่เธอเป็นโจทก์เองแล้วก็เป็นตำรวจเองเป็นอายการเองเป็นศาลเองตัดสินเอเอง พอเขาอธิบายไม่ตรงไปที่ตัวว่าก็ถือว่าโกหกบิดเบือนแล้วก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์อะไรว่าตัวเองจริงเพราะละาักษณะอย่างเงี้ยมันก็เครียดแหละแล้วก็ยังมุ่งหมายที่จะให้เรียกว่าตายตกไปตามกันข้างหนเ่ยอย่างนึนกวาเออสังคมไทยนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยใน พอสอนนี้นะครั3อสองสามปศมาแล้วมันก็รู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปมากคือมันกลายเป็นว่ารักจริงเกลียดจริงแล้วเราจะเห็นว่าอารมณ์มันจะอยู่กับอดีตอนาคตแล้วก็เครียดแค้นนี่แหละปฏิบัติแล้วก็ดึงเอาเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะฮะหมายความเอาอารมณ์อดีตเนี่ยมามาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกซ้ำซ้ำซากซานะแม้แต่คำมากู้ชาติยังเอามาพูด แม้คำว่ามาตราเจ็ดก็ยังเอามาพูดาทางที่รับสั่งไปอย่างชัดเจนว่าอะไรก็กูชก้ชาติกู้ชาติชาติเราเป็นอะไรจึงจะต้องกู้อุปนิสัจะรู้สึกแล้วรับสั่งขนาดนั้น น, นั้นแสดงให้เห็นถึงว่าจะให้ป่องใสไม่ได้อ่ะแล้วก็จะไม่มีสง่าราศีเพราะว่า มันอยู่ด้วยกันทั้ ง, ท, งทั้งเาเรียกว่าทั้งเทินทั้งหาบทั้งเถิดน่ยคือกระทุ่มอยู่กับปัจจุบันกระสัญอยากต่ออนาคตแล้วก็โอ้ยหอะไรถึงอดีตทีนี้ถ้าหากว่าพยายามอยู่กับปัจจุบันได้ลืมไปบ้างปล่อยว า, างเสียบ้างลดละว า, างเสียบ้าง อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือท่ธรทมเนี่ยว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจดูซิเรา อ, อยากได้ความสุขหรืออยากได้ความทุกข์เกินค่าเบียดเบียนอะไรกันไปทำไมชีวิตเราอยู่ข้างหน้ามันไม่กี่วันนะ่ะไม่กี่วันจะตายแล้ว ทงความดีลูกหลานได้พบได้เห็นดีกว่าอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขดีกว่าเพราะเราเห็นว่าเราจะเรียกร้องให้หน้าตาเราแจ่มใสมีประกายแห่งเมตตาธรรมในมันหายากลักษณะเขี่ยมเกลีย ม, มโหดร้ายรุนแรงมีรังสีอมตปรากฏออกมาสัมผัสแล้วก็นนะ่าสะดุ้งกลัว แต่จริงๆแล้วคือคือถ้าเรามองจริงเราก็มองด้วยความสงสารนะฮะมองด้วยความสลดแล้วก็มองด้วยความเสียดายก็พรถึิจุดเด่งมันก็กลายเปนะ็นสารโล ก, ก็ต้องไปไปตามกรรมแต่เราเราสังเกตว่ารับสั่งว่าแต่จิตใจของพิสูุเนี่ยหน้าตานะฮะผิวพรรณของภิกษุเนี่นาานะะผ่อ ง, องใสด้วยเหตุนั้น เพราะความปรารถนาถึงปัจจัยที่ยังไม่มาถึงและความโศกถึงปัจจัยที่ล่วงแล้วพวกผ่านจึงสูบซีดเหมือนต้นอ้อ ส, สดที่ถูกถอนเสียแล้วคนรรเราโดยเฉพาะถ้าเก็บบทอารมณ์คือเรียกว่าเครียดนะครับปัจจุบันที่เขพูดเรื่องเครียดนะที่ก็พูดถึงว่าอะไรสีเครียดก็จิตใจจะไม่สงบ แล้วก็จะจุดไฟขึ้นเผาหล่นตัวเองวันก่อนได้ยินมีท่านผู้หนึ่งเป็นเคยเป็นระดับครูบาอาจารย์ระดับสวเอ่อประกาศน่าเฉยตาเฉยนะฮะจะมาเป็นคนกลางแต่ต้องการลบล้างล้มล้างรัฐบาลเอ๊ะจะมาเป็นได้งไง ก็ตรงไปตรงมาแต่ว่ามันควรจะมีเหตุผลมันควรจะมีเหตุผลคือว่าเราเป็นนักกฎหมายนี่ทำไมไม่ดำเนินตามกฎหมายเมื่อนักกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจะใช้กฎหมู่แล้วมาบริหารกฎหมายได้ยังไงคือยจะลืมนะว่ามนุษย์เราเนี่ย คล้ายๆกับพระไม่เครเารพวินัยนักปกครองตำรวจอะไรต่รางๆที่ต้อ ง, อ ง, องรับผิดชอบตัวกฎหมายเนี่ยนะฮะถึงแม้แต่ราสดรเนี่ยไม่เคารพต่อตัวบทกฎหมายบ้านเมืองมันก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะการเ ป, เป็นสัตว์บุรุษ เีุ่ิสูจว่าเราเป็นสัตว์ปุรุตคือส ง, งบหรือไม่ส ง, งบเนี่ยมันต้องพยายามให้ส ง, งบที่จิตเราซะ ก, ก่อนกวาเรื่องผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเรื่องยังไม่มาถึงก็คือยังไม่มาถึงเราก็ทำเฉพาะที่เราทำได้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ตายวันไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเรียกาแบกโลกพระ คำพระปาเราเนี่ยท่านไม่ได้แบกโลกแต่ว่าอย่าลืมที่มีสูตรก่อนที่พูดถึงพระปาเหมือนกันแต่ว่าถูกเทวดาตำหน่เอาเนี่นี่แสดงถึงหลักการสาคัญว่าในการดำารงชีวิตของมนุษย์เนี่ยอย่าสูญเสียเวลาไปกับ ข, ขว่คว้าอนาคตกับเศร้าสศกถึงอดีตให้มากเกินไปพยายามทาดีที่สุดในปัจจุบัน อย่างที่โบราณท่านบอกว่าอดีตเป็นเรื่องของผีคือตายแล้วอนาคตเป็นเรื่องของเทวดามาหรือไม่มาก็ไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นของเราเราก็ใช้ประโยชน์ภายในได้ต้องฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีงแต่ท่านผู้ฟังทลายด้วยตัวกันสวัสดี